ผีล้วงหัวคอนโดหลอนมหาวิทยาลัยย่านรางังสิตสัมผัสเสียงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยปีสองตอนนั้น ผมเริ่มย้ายเข้าไปพักกับเพื่อนที่คอนโดแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อประมาณ 7-8 ปีก่อนระเบียงห้องจะสามารถมองเห็นโรงฆ่าสัตว์ได้ก่อนหน้านั้นตอนปีหนึ่งผมเคยเข้าไปนอนเป็นครั้งคราวในช่วงสอบเพราะไปติวหนังสือร่วมกับเพื่อนตื่นเช้ามา ก, ก็ไปสอบไกลๆข้ามถนนไปก็ถึงเลยก็พอจะได้ยินกิติศัพท์ของคอนโดแห่งนี้ มาพอสมควรพอปีสองผมมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเพื่อนวันแรกที่ขนของย้ายเข้าไปไอ้สิทธ์ซึ่งเป็นรูเมตคนหนึ่งหรือเพื่อนร่วมห้องนั่นแหละก็มาถามผมว่าไอ้ยอดมึงเอาพระมาด้วยหรือเปล่าวะตอนนั้นผมเป็นคนที่ไม่ค่อยห้อยพระไม่ค่อยสวดมนต์เพราะเชื่อว่า ตัวเองจิตแข็งเลยตอบไปว่าไม่ได้ห้อยเว้ยแต่อาบน้ำมนต์มาแล้วสบายมากไอ้สิทธ์ก็ทําหน้ากวนตีนหัวเราะใส่ผมแล้วก็บอกว่าพระ ก, ก็ไม่มีแบบนี้คืนแรกมึงโดนแน่ห้องผมอยู่ชั้นหกในห้องจะมีเตียงเดี่ยวให้สามหลังแต่เราอยู่ด้วยกันสี่คนก็เลยเอาเตียงทั้งสามหลัง มาต่อเรียงกันแล้วก็นอนด้วยกันคืนนั้นผมนอนเป็นลำดับสองจากระเบียงถัดจากไอเช่ถัดไปจากผมก็คือไอโอคและก็ไอสิทธิ์ผมเป็นคนชอบนอนตะแคงผมจึงนอนได้หันหน้าไปทางระเบียงกลางดึกคืนนั้นผมตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองขยับไม่ได้มีอาการคล้ายๆผีอำ่ำ ในความคิดของผมผมคิดว่ามันเป็นอาการที่สมองเราตื่นแต่ร่างกายยังไม่ตื่นมักจะเป็นเวลาที่เหนื่อยมากๆหรืออดนอนม า, มากๆซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยเป็นอยู่บ้างแต่คืนนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะผมรู้สึกถึงแรงกดด้วยลมที่หมุนอยู่บนตัวผมจนผมขยับตัวไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นผี ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันพยายามมากดให้ผมอึดอัดหรือพยายามจะเข้ามาในตัวผมอารมณ์ในตอนนั้นผมเริ่มกลัวแต่นึกบทสวดไม่ออกเพราะที่เคยสวดก็มีแค่อรหังสัมมาสัมพุทธโธภคกขวามันจะใช้ได้ไหมนะดูบทง่ายไปไม่น่าแรงพอขณะที่กำลังสับสนว่าจะทำยังไงดี ผมก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ค่อยๆดังขึ้นมาเป็นบทสวดมนต์ที่ผมไม่รู้จักและสวดตามไม่ได้แต่เสียงสวดนั้นผมรู้จักดีเพราะเป็นเสียงเพื่อนอีกสามคนที่นอนอยู่ด้วยกันกำลังสวดมนต์คนละบทอยู่เสียงไอเช่สวดมนต์อยู่ด้านหน้าผมเสียงไอโอไกและสิท์สวดมนต์อยู่ด้านหลังทั้งสองด้านวินาทีนั้น จากที่ผมกลัวๆอยู่ผมก็หายกลัวแล้วกลายเป็นขำแทนเพราะโดนกันทั้งสี่คนไม่เหงาแล้วเราในใจก็คิดว่าดีเหมือนกันเราสวดไม่เป็นก็อาศัยอานิสงส์พวกมันช่วยสวดให้แทนส่วนผมก็นึกแผ่เมตตาเป็นภาษาไทยไปแทนสักพักลมหมุนที่พยายามกดเข้ามาในตัวผม ก็พุ่งหนีหายออกไปทางระเบียงแล้วผมก็หลุดจากอาการผีอำ่ำเด้งตัวลุกขึ้นมานั่งหัวเราะดีใจก่อนจะหันไปหาเพื่อนเพื่อนเพื่อชวนลุกขึ้นมาคุยว่าทำไมถึงโดนอํากันทั้งห้องแต่ทว่าเพื่อนผมทั้งสามคนรับสนิทไม่มีเสียงสวดมนอะไรเลยผมไม่นั่งหาคำตอบแล้วว่าเสียงสวดมนมาจากไหน ผมรีบคลุมโปงนอนต่อทันทีพอตื่นมาในตอนเช้าผมก็ถามเพื่อนๆว่าเมื่อคืนมีใครโดนอะไรหรือเปล่าทุกคนบอกว่านอนหลับสบายดีไม่รู้เลยว่าผมโดนผียำอยู่คนเดียวทุกวันนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเสียงสวดมนมาจากไหนนี่คือคืนแรกที่ผมเข้าไปอยู่ในคอนโดแห่งนี้ มาเข้าเรื่องผีลวงหัวกันต่อเลยเพราะนี่คือการโดนผีหลอกแบบกลางวันแสกใครว่าผีหลอกกลางวันไม่ได้อย่างน้อยผมก็เจอมาสองครั้งจัะจะครั้งแรกผมเจอตอนเด็กที่บ้านต่างจังหวัดเหตุการณ์ครั้งนั้นทำเอาผมกลัวผีตั้งแต่วันนั้นมาหลังจากที่ผมอยู่คอนโดแห่งนี้เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในช่วงศอก เพื่อนบางคนที่อยู่บ้านจะมานอนค้างที่คอนโดด้วยเพื่อมาติวหนังสือด้วยกันหนึ่งในนั้นคือคนที่โดนเพื่อนแกล้งบ่อยๆมันชื่อว่าไอทูลในบ่ายวันนั้นผมและ เ, เพื่อนๆคนอื่นๆก็นั่งติวหนังสือกันบนเตียงโดยทไอทูลแยกตัวไปอาบน้ำซึ่งห้องน้ำจะมีฝักบัวอยู่และมีหน้าต่างบานกระทุ n g สาหรับระบายอากาศอยู่ด้านบน พวกผมมักจะชอบแกล้งเพื่อ น, อนด้วยการออกไปที่รัเบียงแล้วเอื้อมมือใช้สเปรดกลิ่นตัวขนาดทดลองฉีดอัดเข้าไปทั้งหน้าต่างบานกระทุง้งเพื่อให้กลิ่นสเปรชุนอัดเข้าไปในห้องน้ําแล้วให้เพื่อนอีกคนดึงประตู ด, ด้านนอกไว้ไม่ให้คนที่ถูกแกล้งหนีออกมาได้ตอนนั้นขณะที่ไอทูนกําลังอาบน้ําอยู่ ผมก็นึกได้ว่ามีผ้าตากไว้ที่ระเบียงจึงจะออกไปเก็บเมื่อผมเดินไปถึงหน้าประตูห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงไอ้ทูนตะโกนออกมาว่าฮั่นแน่ไอ้ยอดจะมาแกล้งกูละสิกูรู้นะว่าเป็นมึงผมแปลกใจนิดๆวห้ทูนมันรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่หน้าประตูเพราะตอนนั้น ผมถอดรองเทา้าเดินบนพื้นคอนกรีตแทบจะไม่มีเสียงเลยแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักคิดไว้ยทูลคงจะพูดดักเพื่อนอไว้ก่อนไม่ให้มาแกล้งเพราะมันเป็นคนที่โดนแกล้งบ่อยมากจากนั้นผมก็เดินไปเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้เก็บเข้ามาแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือต่อผ่านไปสักพัก ห้อยทูนอาบน้ำเสร็จก็นุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาแล้วก็ยิ้มแบบกวนๆไอ้ยอดแกล้งกูเหรอแน่แนไม่ต้องเลยกูรู้ว่าเป็นมึงผมหันไปถามว่ากูแกล้งตรงไหนวะกูแค่เดินไปเก็บผ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้ทูลตอบกลับมาแม่มึงอย่ามาเนียนก็กูกำลังสาบผมอยู่มึงก็ยื่นมือเข้ามาทางบานกระทุง้ง กำลังจะจับหัวกูอยู่แล้วแต่กูเงยหน้าขึ้นไปเห็นก่อนมึงก็เลยรีบหดมือหนีไงทุกคนในห้องต่างร้องเฮ้ ย, ยแล้วก็หยุดอ่านหนังสือโดยพร้อมเพียงกันต่างคนต่างหันมามองหน้ากันส่วนใอ้สิทธ์รีบลุกขึ้นไปหยิบผ้ามาแขวนแต่ไอ้ทูนก็ยังคิดว่าเพื่อนอำมันแม้เล่นใหญ่นะพวกมึง ผมจึงถามมันว่าที่ว่ากูยื่นมือเข้าไปนะ่ะมึงแน่ใจเหรอว่าว่ามือกูเฮ้ยกูจำแขนไดหน้าแขนมึงยาวไงตัวมึงสูงที่สุดในห้องแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวไอ้ทูนแขนมันยื่นมาแค่ไหนเข้ามาประมาณเนี้ยไอ้ทูนก็ทำท่าวัดแขนให้ดูประมาณนี้ของมันคือเลยก็สอกไปเกือบคืบเกือบถึงหัวไหล่แล้วผมก็เลยพายทูลไปที่ระเบียง ทุนมึงดูนะถ้ากูยืนตรงนี้แล้วเอื้อมมือไปที่หน้าต่างบานกระทุงกูจะเหยียดสุดได้แค่ข้อมือถ้ากูอยากออกเข้าไปทั้งแขนกูก็ต้องปีนตึกเป็นสไปเดอร์แมนแล้ววยไอ้ทุนมันยังไม่เชื่อเถียงกลับมาอีกพวกมึงต่อตัวกันก็ได้เนี่ยถึงทำได้ยังไงยังไงตัวกูก็ต้องออกไปอยู่นอกตึกกูคงไม่หาเรื่องเสี่ยงตายเพื่อแกล้งมึงหรอก หลังจากนั้นไอทูลก็ยังคงปักใจเชื่อว่าโดนเพื่อนแกลง้งแต่เพื่อนทุกคนในห้องต่างรู้กันดีว่าไม่มีใครแกล้งมันหลังพวกเราย้ายออกจากหอพวกผมก็ได้ข่าวว่านักศึกษาที่อยู่อีกตึกหนึ่งก็เจอผีล้วงหัวเหมือนกับไอทูนด้วยหลังจากพวกเราเรียนจบมหาวิทยาลัยหลายปีต่อมา ก็ได้ไปนั่งกินข้าวกับกลุ่มเพื่อนๆซึ่งไอ้ทูนก็มาด้วยผมก็ เ, เรื่องนี้กลับมาเล่าแล้วถามว่าทูนเชื่อหรือยังว่าตอนนั้นกูไม่ได้แกล้งไอ้ทูนก็ตอบกลับมาจริงๆตอนนั้นกูก็เชื่อมึงแล้วแหละว่ามึงไม่ได้แกล้งกูแต่กูไม่อยากเชื่อว่ากูจะโดนผีหลอกตอนกลางวันแสกแส ก, กูเลยต้องยกความผิดให้พวกมึงดีกว่ายอมรับว่าเจอผี ปัดโถเอ้ยเดี๋ยวทุ่มได้โพเดียมเลยผมตอบว่ามันนี่แหละคือตำนานผีล้วงหัวของพวกเราที่คอนโดแห่งนี้จริงๆแล้วตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่อยู่คอนโดนี้พวกผมเจอผีบ่อยมากเจอกันจนเป็นเรื่องปกติผ่านคืนหนึ่งไปก็มาถามกันว่าเมื่อคืนใครโดนผีหลอกบ้าง ถ้ามีใครโดนหลอกก็จะหากันทั้งกลุ่มกลายเป็นเรื่องตลกขบขันกันไปพออยู่ครบหนึ่งปีเรียนครอสเป็นเพื่อนกับผีจบแล้วพวกเราก็หายกลัวผีไปเยอะเลย มัดสยอง